เท่านผู้สาทุชนพุทธบริศัพทุบาสกอุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรม ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่21พฤศ จ, จิกายนพุทธศักราช2555เป็นวันพระโคนธรรมศวนหวนฝังธรรมวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดเพื่อสร้างความสุขให้แก่จิตกับใจเพราะความสุขของใจนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปสีกโ ล, โลิ่นลมผลิตภัณฑ์เราี้จึงมาทำหน้าที่ สร้างความสุขททนใจด้วยการกําจัดนิวรณ์คือการมาฉันทะการมาฉันทะก็คือความยินดีความชอบความสุขในกายอารมณ์นั่นเอคือชอบลูกเสียงกลิ่นรสผดพักชอบเสกชอบดูชอบฟังชอบนองดึงชอบยิ้มเลิชอบสัมผัส ความสุดนี้เป็นความสุดแบบยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมีแต่อยากจะเสพมากขึ้นไปเรื่อยเวลาใดที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความหุดหงิดลำคางใจเศร้าส้อยเหนอยเหงาว้าเหวิเดียวดายปาเปลี่ยวจิตใจเราจึงต้องมาชำระการฉันทา ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำให้จิตใจมีความสุขให้จิตใจมีความสงบถ้าใจยังมีการมาฉันทะยังอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าอยู่ก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้เพราะจะต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพธธธา้ามาบังลุบำเลงอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ก็จะไม่มีเวลาพักจิตใจไม่มีเวลาปรีกวิเวททำใจให้สงบง่ายเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญับวัดพระคุณงามเพื่อให้ญาติโย่พุทธบริษัทได้รักษาสิลแปดกนเพราะสินแปนี้จะช่วยกำจัดการมาฉันท์ธาด้าอย่างดีสินห้านี้ไม่สามารถกำจัดได้ เพราะสิน5ห้าไม่มีข้อ ห, ห, ห, ห, ห้าไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมุกลิ้นการแต่สิ่งแปนี้ห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายเช่นสิลข้อสาก็ต้องเป็นอารมจริยาเวราะะนีแต่ว่าจะละเว้นจากการเสพการร่วมหลับนองงนกับผู้อื่น ถ้าถือศีลห้าก็จะเป็นการในศวิชาจาราให้ร่วมหลับนอนได้แต่ต้องร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนเช่นสามีภรรยาเท่านั้นแต่ถ้ามาถือศีลแปเราก็จะมาละเว้นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเพราะการร่วมหลับนอนนี้ก็จะทำให้เราไม่มีเวลามาทำใจให้สงบนั่นเอง นี่ก็คือข้อหนึ่งที่จะช่วยกำจัดการการมาฉันทะหรือการมาตัณหาความอยากในรูปสีกิ่งนสดโดยเฉพาะการอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็มาข้อที่หกก็คือให้นะเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่า ไม่จาเป็นจะต้องรับประทานมากมายขนาดนั้นรับประทานถึงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายร่างกายอยู่ได้ไม่ตายอย่างแน่นอนเพื่พอจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบเพราะถ้ารับประทานอาหารมื้อเย็นก็จะต้องรอไปอีกถึงเย็น แล้วหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะง่วงเหงาหานอนอเพราะเวลารับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆนี้จะอยากนอนหนังท้องตึงหนังตาหยอ่อนแต่ถ้าเรารับประทานเพียงเที่ยงไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วพอตอนบ่ายๆเราก็จะหายง่วงเราก็จะสามารถนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมได้ไปทั้งคืนแต่ถ้าเรารับประทานอาหารเย็นอาหารข้าก็จะไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมได้เพราะรับประทานอาหารอิ่แล้วก็อยากจะนอนหรืออยากจะหาความสุขกับลูปเสียงกลิ่นนสดก็อยากจะเปิดดูโทรทัศน์ดูหนังดูละครเปิดเพลงฟัง ่านี้เป็นต้นดังนั้นเราก็ต้องมากำจัดความสุขจากการรับประทานอาหารอย่ารับประทานอาหารด้วยความอยากให้รับประทานอาหารด้วยความจำเป็นเหมือนรับประทานยาถึงเวลาก็รับประทานยางยังไม่ถึงเวลาก็จะไม่รับประทานถ้ารับประทานอาหารตามความอยากนี้ <c oughs> ก็จะรับประทานไปเรื่อย รับประทานอาหารกับวันแล้วเดี๋ยวบ่ายก็รับประทานอีกเย็นก็รับประทานอีกตอนค่ำตอนคืนก็รับประทานอีกก่อนนอนก็รับประทานอีกถ้าเป็นความอยากแต่ถ้าเรารับประทานตามเวลาตามความจาเป็นเช่นรับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่รับประทานอาหารอีกร่างกายของเราก็จะได้ไม่ง่วงเหาหานอน ไม่ขี้เกียดถ้าละประทานอิ่มมากๆก็จะไม่มีกำลังที่อยากไปทำอะไรอยากจะนอนอย่างเดียวหลังจากนั้นเราก็ต้องมาถือสิงข้อ7ก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดูจากการฟังเช่นดูหนังฟังเพลงร้องลําทำเพลงต่างๆหรือแต่งเนื้อแต่งตัว ด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามแต่งหน้าทาปากแต่งเพาะแต่งผมใช้เครื่องสำอางใส่น้ำหอมด่านี้เป็นความสุขที่ไร้สาระเป็นความสุขเพียงผิวเผินไม่เข้าไปถึงในใจไม่ทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มมีความทอได้ดังนั้นเราก็ต้องมาละเว้นด้วยการถือสิ่ข้อที่เจ็ ส่วนสิงข้อที่8ก็คือไม่ให้ละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอนนอนก็ให้นอนเพื่อพักผ่อนร่างกายถ้านอนเพื่อพักผ่อนร่างกายนี้นอนเตียงสี่ห้าชั่วโมงก็จะเติมขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมาหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอเติมขึ้นมา เห็นว่ามันนุ่มมันสบายนอนบนเบอะนอนบนฟูกหนาะๆนะก็อยากจะหลับนอนต่อไปหลักนอนต่อไปก็จะไม่มีเวลามาทำใจให้สงบเมื่อไม่มีเวลาทำใจให้สงบใจก็สงบไม่ได้เมื่อใจไม่สงบใจก็จะไม่เห็นไม่พบกับความสุขที่เลิศที่กระเสิรที่ชนะความสุขทั้งปวง อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าลดแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงลดแห่งธรรมก็คือลดของการปฏิบัติธรรมถือศีลแปภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมนี่เอง <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราถือศีลแปแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาทำใจให้สงบได้มีเวลาปฏิบัติ ไม่ต้องมาเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราหากันมาอยู่ตลอดเวลามันวิเศษตรงไหนมันดีตรงไหนมันดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณาและปฏิบัติอย่าปล่อยให้นิสัยเดิมทำตามนิสัยเดิมไป เพระนิสัยเดิมของเรานี้มันจะไปทางกิเลสตัณหามันจะไปทางความทุกข์เราต้องเปลี่ยนนิสัยเราต้องเอานิสัยของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกมาเป็นนิสัยของเราพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารท่านรักษาสิงกันท่านซือศิงแต่ท่านซือศิงห์ี่สิบเราก็ต้องสือตามท่าน เราอย่าหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพเพราะว่ามันไม่เป็นความสุขที่ถาวร น, นอกจากไม่เป็นความสุขที่ถาวรยังยังมีความทุกข์ตามมาด้วยเวลาดที่เราอยากจะเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพแล้วเราไม่สามารถจะเสพได้เราจะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าสร้อยหม่ยเหงาเกิดความว้าเหว่เดียวดาย เช่นเวลาอยู่คนเดียวนี้จะรู้สึกว่าเวทันทีแต่ต้องหาคนนั้นมาอยู่เป็นเพื่อนต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเลอเราก็ต้องดินนหลนหาสิ่งต่างๆมาพอหามาได้เราก็ต้องมีภาระคอยดูแลรักษาต้องห่วงต้องห่วงและเวลา สูญเสียไปพัดภาคจากกันไปก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจพอเราเวลาสูญเสียคนที่เรารักไปนี้เป็นอย่างไรสูญเสียแบบที่ไม่ได้คิดมาไว้ก่อนล่วงหน้าเวลาเขาจากเราไปนี้เราจะทาใจไม่ได้เราจะมีความทุกข์มาก เพราะว่าเราอาศัยเขาให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาใครจะจากเราไปหรือ ไ, ไม่จากเราไปเพราะเราไม่ได้อาศัยเขามาเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนั่นเองเรามีความสุขในตัวของเราแล้ว เราสามารถผลิตความสุขนี้ขึ้นมาได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอให้มีคนนั้นคนนี้ไม่ต้องรอให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือความวิเศษความเลิศของความสุขภายในใจที่พวกเราควรที่จะพุ่งเป้าไปกันอย่าไปหาความสุขทางอื่นเพราะความสุขทางอื่นนี้เป็นความเป็นความทุกข์มากกว่า เพาต้องอาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็จะทุกข์โดยเฉพาะร่างกายของเราที่ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายต่อไปเวลาร่างกายแก่นี่ก็จะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายลำบากตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจะไปไหนมาไหน ก็ไปเองไม่ได้ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาคอยพออยุงไปแล้วจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะได้อย่างไรหาไม่ได้ก็ต้องอยู่อย่างหงุดหงิดอยู่อย่างว้าเวอยู่อย่างเศร้าส้อยหมอยเหาแต่คนที่สามารถทำใจให้สงบได้นั่งสมาธิได้จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ของร่างกาย จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายเพราะใจสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาใจไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละส่วนกันร่างกายแก่ใจไม่ได้แก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าใจมีธรรมะมีสีนแปดมีภาวนามีสมาธิมีสติมีปัญญาใจก็จะสงบอยู่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาฝากพวกเรากันธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี่แหละก็คือธรรมะภายในใจความสุขภายในใจ ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีแต่หาความสุขจากสิ่งภายนอกกันหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัทพะหาความสุขจากลาภยอสรรเสริญหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่งไม่พอเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ใจเวลาสูญเสียไปก็ทุกข์ใจนี่คือโทษของความสุขต่างๆที่พวกเรากำลังแสวงหากัน กำลังเสกกันเราต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยของปุถุชนมาเป็นนิสัยของพระอริยเจา้พาพระอริยเจา้านี้ท่านจะไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจท่านจะล่วงไปที่ความสุขภายในใจท่านจะไปเปีกวิเวกเพื่ออยู่คนเดียวเพราะถ้าอยู่กับคนอื่นก็จะมีเรื่องรบกวนใจ คนอื่นเขาดูหนังฟังเพลงกินอาหารเย็นร้องลัมทาเพลงกันเราก็จะทําให้จิตใจเราว้าวุ่นขุ่นัวได้เพราะใจเรายังไม่มีพลังไม่มีกําลังที่จะต่อต้านความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพอเห็นคนอื่นเข้ารับประทานอาหารเย็นก็เกิดความหิวขึ้นมาเห็นคนอื่นเข้าดูโทรทัศน์ ร้องลำททาเพลงก็อยากจะทํากับเขาด้วยเราจึงต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครก็ทําเรื่องราวเหล่านี้ชเช่นมาอยู่ในวัดนี้เป็นต้นถ้ามาอยู่วัดก็จะไม่มีใครรับประทานอาหารเย็นไม่มีใครดูหนังฟังเพลงร้องลำททาเพลงมีแต่คนนั่งสมาธิไหว้พระสวดมน์ปฏิบัติธรรมเมื่อสิ่งเว้นล้อม เป็นอย่างนี้มันก็จะสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้นั่งสมาธิได้ไว้พระสวมนมนต์ได้ทำใจให้สงบการครบคนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากพระเจ้าทรงสอนว่าถ้าไม่สามารถหาคนคบกับคนที่เท่าดีเท่าเราหรือเก่งกว่าเราได้หรือดีกว่าเราได้ก็ให้อยู่คนเดียวไปจะดีกว่า ถ้า ไ, ไปอยู่กับคนที่เขาเร็วกว่าเราแย่กว่าเราเขาก็จะชวนเราไปในทางของเขาเช่นถ้าเขาชอบเล่นการพนันเดิมสุรายาเมลเที่ยวกลางคืนมีความเกลียดช้าชอบคบคนชั่วเป็นมิตรเขาก็จะชวนเราไปทําอย่างเดียวกันชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบเสพสุรายาเมลก็จะชวนเราไปเสพสุรายาเมล ชอบเที่ยวกัาคืนก็จะชวนเราไปเที่ยวกัาคืนคนเหล่านี้พระเจ้าทรงจัดว่าเป็นคนพานพานี้แปลว่าคนโง้อคนไม่รู้คุณรู้โทษของการกระทําของตนเรียกว่าเป็นคนพานไม่รู้ว่าการกระทำเหล่านี้จะเป็นการพาไปสู่อบายต่อไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอบายมุกมุกแปลว่าประตู อบายก็คือที่ไปอยู่ที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของนรกถ้าไม่อยากจะไปอบายก็อย่าไปอยู่ใกล้ๆประตูถ้าอยู่ใกล้ประตูแล้วเดี๋ยวก็ถูกฉุดลากเข้าไปได้เพราะผู้ที่เสพอบายามุกแล้วมักจะต้องไปทําบาปต่อไปเวลาเสพโชลายามาก็จะพูด จะไม่สุภาพไม่เรียบร้อยพูดคำหยาบพูดปดอย่างนี้แล้วก็จะไปทะเลาะวิวาสไปมีเรื่องมีราวไปทุบตีกันไปทำร้ายกันและอาจจะฆ่ากันตายถ้าขับรถก็อาจจะพาไปเกิดอุบัติเหตุตายได้นี่ก็คือไปทําบาปพอไปทําบาปก็เท่าก็เข้ากับเข้าไปในอบายแล้ว ตอนที่เล่นการพ น, นันดื่มสุรานี้ก็เหมือนอ ย, ยืนอยู่ที่ปากประตูยังไม่ได้เข้าไปแต่พอเสกสุราเมาไม่มีสติควบคุมกายวาจาใจได้ก็ไปทำบาปต่อไปพอทำบาป ก, ก็ถือว่าได้เดินเข้าไปในประตูแล้วได้เดินเข้าไปในอาบายแล้วดังนั้นอย่าไปอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอาบาย อย่าไปอยู่ใกล้าการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกันคืนคบคนชั่วเป็นมิตรและความเกลียดชังสิ่งเหล่านี้จะมีแต่ฉุดลากให้เราลงต่ำไม่ได้ละไม่ได้ฉุดลากให้เราขึ้นสูงเราจึงอย่าไปคบกับคนที่ชอบอาบายอนุกเราต้องชอบคบคนที่ไม่ชอบอาบายอนุกชอบคนที่ชอบศีลชอบธรรม ชอบคนที่ชอบทาบุญให้ทานชอบคนที่รักษาศีลชอบคนที่ภาวนาชอบคนที่ไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดอยู่่าคนเหล่านี้เขาจะดึงเราไปสวรรค์พาเราขึ้นสูง mm hmm. เพราะการทาบุญนี้ไม่มีการที่จะไปทำให้เราตกนรกได้การทาบุญรักษาศีลจะทำให้เราไปเป็นเทวดา ถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็จะทำให้เราไปเป็นพรมถ้าเราเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไปถึงขั้นพระอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าได้นี่คือคนดีเรียกว่าบัณฑิต พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนว่าอาเสวนานจะบาลานังบันดิตานังจะเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตมังกลรมุตตมังไม่ให้ครบคนพานให้ครบบันดิตให้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขความเจริญที่แปลว่า ความเป็นสิริมงคลเราก็ต้องอย่าไปคบคนพาให้คบบัณฑิตเช่นวันเลี้ย่าโยมถือว่าได้มาคบบัณฑิตบัณฑิตได้มาเจอกันคนที่ชอบบุญทำบุญได้มาเจอกันคนที่ชอบรักษาศีลได้มาเจอกันคนที่ชอบปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมได้มาเจอกันเมื่อมาเจอกันก็จะสนับสนุนกัน ให้มีกำลังใจที่อยากจะทำบุญมากขึ้นไปรักษาศีลมากขึ้นไปภาวนามากขึ้นไปเมื่อทำมากขึ้นไปความสุขภายในใจก็จะมีมากขึ้นไปความอิ่มใจก็จะมีมากขึ้นไปความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะก็จะมีน้อยลงไปและจะหมดไปได้ในที่สุด แล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่ทาคสุดเพียงเดียวไม่มีความทุกข์นี่เกิดจากการที่เราได้มาวัดในวันพระเพราะนอกจากได้มารักษาศีลแปหรือรักษาศีลห้าแล้วเราก็ยังได้มาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้มีประโยชน์มากเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะเป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอด เราจะไม่รู้จักเรื่องความเป็นมงคลว่าเป็นอย่างไรเราก็จะคิดว่าความเป็นมงคลก็คือให้มีพระวัตถุมงคลห้อยคออันนี้ไม่ได้เป็นมงคลไม่มีอยู่ในพระพุทธนี้ไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามงคลอยู่ที่การกระทำของเราการห้ยพระนี่เป็นเพียงการเตือนสติให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ถ้าเราห้อยพรนะน้นเราไม่เคยศึกษาก็ทําคํำคำสอนเลยห้อยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็รไม่ได้เป็นมงคล น, นั่นเองมงคลอยู่ที่กาเลนะธรรมะสวน ร, รเอตัมมังการมุตตะมังการได้ยินได้ฟังทตมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะเวลาฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่า อะไรเป็นมงคลอะไรไม่เป็นมงคลอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่ฟังรามเราก็จะไม่รู้อย่างวนนี้เราฟังถามแล้วเราก็รู้แล้วว่าการมฉันทะนี่เป็นโทษแก่จิตใจความอยากในรูปเสียงกลิก่นรสผลิภัพนี่ทำให้จิตใจเราว่าวุ่นขุนัวทุก เศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็ไม่รู้เราก็จะหลงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่วันนี้เราได้ยินแล้วว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์มากกว่าสุขเราก็จะต่อไปนี้จะพยายามเบีกเลี่ยงไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ด้วยการเริ่มต้นรักษาศีล8ในวันพระไปก่อนตามปกติแล้วรักษาศีลห้าได้แล้วเราก็มารักษาศีล8ในวันพระกันพอเรารักษาศีลแปได้ทาใจให้สงบได้เห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีล8เราก็จะเพิ่มรักษาศีล8ให้มากขึ้นจากหนึ่งวันต่ออาทิตย์ก็เพิ่มเป็นสมวันต่ออาทิตย์ จากสามวันก็เป็นห้าวันจากห้าวันก็เป็นเจวันต่อไปเราก็จะสามารถรักษาสิ้นแปดได้ทุกวันเพราะเราจะมีความสุขเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวล า, ากับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการเอาเวลาหาเงินหาทองนี้มารักษาสิ้นแปดมานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบดีกว่า พราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตาง ม, มาเป็นความสุขที่ถาวรตายไปก็จะพาเราไปสู่สวรรค์ชั้นผงแล้วถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปก็จะพาเราไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่แหละคืออนิสง์ของการมาวัดมารักษาสิงแป8จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจาก วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายที่เราได้วนวนเวียนอยู่มางั้นไม่ท่วนแล้วเป็นเวลาเยานานมากมตั้งแต่มีเวลาเลยขึ้นมาเลย น, นเราก็เวียนว่ายตายเกิดกันมาไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนแต่ถ้าเรามาเริ่มรักษาศีลแปดแต่แล้วก็เท่ากับเราจะ ตัดบพบตัชาติตัดชาติให้มีน้อยลงไปตามลาดับอีกไม่นานพบชาติก็จะหมดไปการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปโอกาสที่จะได้ทำอย่างนี้ก็มีเพียงชาตินี้เพียงชาติเดียวหรือนานๆามีอย่างนี้สักครั้งหนึ่งเพราะนานานจะได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครสอน ให้เรารู้จักวิธีดำเนินชีวิตของเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษมากเพราะเรามีคนบอกทางเราแล้วถ้าเราไม่รีบปฏิบัติถ้าเราตายไปก่อนเนากลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีใครบอกทางเราก็จะต้องหลงกับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีก จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่ยาวนานมากดังนั้นอย่าปล่อยโอกาสอันเลิศอันวิเศษของชาตินี้ให้ผ่านไปเลยขอให้มันมาวัดมารักษาศีลแปดมาทำบุญให้ทางมาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมกันเถอะแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปและความทุก จะมีน้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระนิวรนคือการมรรชนี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุตื่นตัะใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันพรสุขภะภะโดยทั่วหน้าการเธอ